เทาคแนที่77ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำท้อยจังหวัดพุดรดธานีแสดงธรรมในวันที่23มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียว วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะเป็นวันพระวันนี้พอเราได้ทำวัดเย็ยนจบหลงสักครูนี้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้กล่าวปาล็เปลืองวันพระให้ฟังเห็นไหมลูกหลานนะหลวงพ่อพอมันสวดมนต์บางทีจะต่อหัวข้อนะี่มันหายปับ๊บขึ้ไม่ออกเลย อย่างเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อว่าเอ๊วัดอันไหนนอดหลวงปู่มันมาอยู่เป็นวัด น, น่ะวัดโนนิเวศที่หลวงปู่มันมาอยู่จํามันสายอยู่สองปีนะคือวัดโนนิเวศหลวงพอ่อพอคิดมามันหายบับ๊บบางทีมันหายเป็นนมนานไปเลย นี่ก็เหมือนกันนะมันไปหาเชื่อความคิดของตัวเองไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันเวลามันความสัญญา อ, อนิจจาเนี่ยมันหายแป๊บไปมันพอหายวับเป็นมันกระจบไปเลยมันคิดไม่ออกอ่าพอมานานนั้นยังกอยโผ่ออกมาอีกดาวถะ พดไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปก็จบทบจบไปไม่มีปัญหามันต่อเนื่องแต่พอไปตั้งต้นใหม่แล้วคิดใหม่ตั้งต้นใหม่จุดนั้นแหละที่มันหลงลืมได้ง่ายสัญญาอนิจจาเพราะนั้นต่อไปภายภาคหน้าเนะ่ยคงจะเป็นไปได้ไดเรื่อยๆผู้ที่อยู่ใกล้เรานะ่ยจุดนั้นแหละมันต้องได้ต้องได้ช่วยคิด แต่เรามองมองดูนะมีแต่ซื้อบือชาวบ้าทนทั้งหมดไงก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วว่าพออยู่มันอยู่หลวงพ่อยังถูกด่ดาได้อยู่ก็เลยกลัวหลวงพอง่อหัวหดตดแตกไปแต่แว่าต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมีเขี้ยวมีเล็บออกมา <c oughs> แต่ใช่ใช่ใช้เขี้ยวใช้เล็บออกมาไปในทางสิ่งที่เป็นประโยชน์ออ เป็นส่วนรวมเพื่อสาธารณประโยชน์มันก็ดีนะน่าบูชานะแอ่ถ้าหากว่าปล่อยเล็บออกมากัดกันนูเนียเหมือนสัตวนะ์นรกนั่นรับไม่ได้เหมือนกันนะมันยิ่งกว่าหมาอพอหมาอะไรอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสัตว์นรกนะไม่รู้อะไรกัดกันนูเนียไปหมดไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่ผู้ ฝึกฝนอบรมไม่ใช่พู้เข้ามาศึกษาหลวงพ่อเน่ยไม่ยึดติดในโลกมีอะไรปล่อยวปล่อยละปล่อยวางได้ทำใจได้รับรู้รับทราบได้ยึดหยุ่นได้มีอะไรไม่ใช่หวหัวโนฝามีอะไรหัวโนฝานี่นะดันพลังไปผิดทีถูกเพเอง ได้พูดไปแล้วดันอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้เลยนะมันมีอยู่นะมันมีพระดันธุลังเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายฟังเอาไว้นะให้ผินผู้มีเหตุผลฟังหน้าฟังหลังฟังซ้ายฟังขวาฟังสูงฟังต่ําฟังรอบด้านอย่าใช้ทิฏฐิมานะ โลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียววัดวาศาสานาวัดแห่งนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวอย่าไปถือว่าเราเก่งกล้าสามารถคน ท, นที่อื่นที่อาจจะเก่งกว่าสักเก่งกล้าสามารถกว่าเราก็อ อ, อาจจะเป็นไปได้อย่างคนบอกเฮ้ยตาคูตายปุสูนี่ทุกจนแน่ๆหลวงพ่อจะไม่เคยพูด เออถ้าวัดถ้าหลวงพ่อตายไปเนะี่ยวัดปานาคําน้อยเนี่ยเจ้งแน่แน่เลยฮะถ้าพอหลวงพ่อตายไปแล้วยิ่งเจริญขึ้นมาอีกนะี่ยเพราะมีบุญวาดสนาบา ร, รมีขึ้นมา เ, เขาก็จะว่าดโอ้ยถ้าหลวงพ่อตายไปตนานกว่านี้วัดนาคําน้อยคงจะเจริญกว่านี้อันนี้เพิ่งตายไปก็เลยมันก็เลยเจริญขึ้นมาพอขนาดนี้ก็จะว่าดอย่างนั้นไปอีกนะเพราะนั้น อย่าไปท้าอย่าไปทายบุญบารมีมาโลกวัะาาสงสารเนี่ยมันเจริญก็ไปไปข้างหน้าแต่งเยอะแยะ hmm. สมัยก่อนใช่เป็นอย่างหนึง่งแต่ไปท้าถึงด้านวัตถุเนี่ยท่านท้า ถ, ถ, ถ, ถึงนมามธรรมเอออันนั้นควรจะท้านะแต่ก็ไม่ควรจะท้าใครเออมื่มอกัาะนามธรรมอมีแต่สอนบอกเราเออพวกท่านทั้งหลายพวกเราหนะ้า ให้ภาวนาเข้าอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันทุกข์มันจนจริงๆเห็นไม้สรัปรปะสัตย์ทางหลายในโลกนี่มันเกิดมาอันนี้พวกเรามองเห็นแต่กลุ่มของเรานะถ้าหากว่าเราเห็นในสื่อที่เขาออกมาเนี่ยที่พวกไม่มีเสื้อผ้าพวกอะไรตัวไม่อะไรมีตั้งเยอะแยะไปหมดสัตว์สาลาสิงทำรารยทำไรยกัน กัดฉีกกันเป็นอาหารนะมันมีมากมายพวกเราได้รู้ได้เห็นสรุปแล้วผม ไ, มไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดถลาอยู่ในกลุ่มใด เ, เราเป็นผู้เอาชนะเขาเราเป็นผู้แพ้เขาอีกเลิดเกิดมาในโลกนะี้มันเป็นได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นจะทำยังไงใจของเราจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลาย แล้วก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละเลิดประเสริฐนะนี่นี่แหละจุดมุ่งหมายของพวกเรามีแค่นั้นถ้าอยู่ในโลกนี่จะดันพลังไปเพื่ออะไรทั้งโลกทั้งโลกเป็นของตัวเองทั้งหมดอีกสักวันหนึ่งก็ตายอีกเหมือนกันเอาไปด้วยไม่ได้ถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะมันเอาไปด้วยไม่ได้ตายทิ้งมีแต่ความพ้นทุกข์ ไม่มาเวียนไหวาตายเกิดนั้นแหะเป็นอริยทรัพย์อันสูงสุดนอกจากนั้นเราไม่มีมองดูแล้วในจักรวาลไม่มีอันไหนที่จะเลิศประเสริฐยิ่ยงกว่าทำใจทาจิตใจให้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระหรหันต์พูดง่ายๆถ้าถึงเป็นพระหรหันต์แล้วจบถ้ายังไม่เป็นอะไรอย่าไปอวดดีอวดเก่ง ถึงจะรวยขนาดไหนแต่ปัญญาดีขนาดไหนก็เถอะเอาลัดเอาเปรียบใครชนะใครขนาดไหนก็เถอะผลที่สุดก็นะครั้งสุดท้ายบินสุดท้ายรอบสุดท้ายนั่นแหอจะไปที่ไหนเขาจะเช็คเช็คบินไปที่ไหนนั่นละรอบสุดท้ายนะเป็นรอบที่จะต้อง ใครได้ทุนขาดคุณกำไรถ้าใครเป็นพระรหันในรอบทุดท้ายนนะเออชัยโยตบนิ้วชูยกแขนให้เลยเตกมือให้เลยเยกชูแขนให้เลยว่าเป็นผู้ฮีโร่เป็นผู้ชนะแต่ถ้านอกจากนั้นลงมาละถึงจะชนะทางโลกขนาดไหนก็เถอะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็เถอะแปลว่าเป็นผู้แพ้ ในวัฏฏะสงสารแพ้อย่างรุดลุยแบกโรคอยู่งั้นอ่ะไม่รู้จะไปหลุมไหนนรกทีนี่ถ้าเราทำไม่ถูกถ้าเราทำถูกก็เอือไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเพราะนันการจะพูดอะไรก็ตามการจะทำอะไรก็ตามจะคิดเรื่องอะไรก็ตามให้มองเจ้าของให้ดูศีลดูธรรม ดูศีลดูธรรมแล้วก็มองตัวเองเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมไหมเนี่ยโดยมากมันไม่เป็นอย่างนั้นทีมันมองแต่คนอื่นมองแต่คนอื่นเขาองเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นไม่ดียังวะไม่ดีอย่างนี่แต่มองตัวเองไม่มองถ้ามองตนเองนะเรา อยู่ในสถานะอย่างนี้เราเป็นพระเราอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยไหมอยู่ในกรอบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินไหมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั่นคืออะไร อ, อย่างองค์หลวงตาเนี่ยสายวิดีโอดูก็ได้กิจวัตรประจำวันท่านทำอะไรท่านฉันยังไงท่านบิณฑบาตอย่างไร ท่านเทศนาว่าการอย่างไรท่านได้นําสั่งสอนอย่างไรสมัยเมื่อท่านหนุ่มเป็นยังไงในเมื่อท่านแก่แล้วเป็นยังไงเนี่พวกเราศึกษาศึกษาแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาให้เป็นแบบฉบับนะยุคสมัยนี้นะทั้งแนวความคิดด้วยทั้งการสงเคราะห์อนุเคราะห์อนุเคราะห์โลกด้วย ทั้งเรื่องจิตตภาวนาของท่านด้วยการเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วย <c oughs> หลายทางหลายรอบหลายด้านให้เราศึกษาศึกษาในแนวปฏิปทาของท่านใครใครก็อยากจะเป็นลูกศิษย์ของท่านแต่วิธีการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ใช่บางทงบางอย่างลวงตายังไม่เคยทาเราทาร่วง ล้ำนาไปก่อนแล้วหลวงตาเป็นยังไงกิจวัตรของหลวงตาเป็นยังไงการอยู่กันฉันหลวงตาเป็นยังไงการเทศนาว่าการหลวงตาเป็นยังไงการวางตัวของหลวงตาเป็นยังไงเราต้องศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วณนะเรานําปฏิปทาขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติ ว่าเราเกิดมาจุดท้ายภายหลังไม่ทั่วเราจะยึดจะยึดพระพุทธเจ้าก็ไกลเกินไปเรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ต้องยึดองค์หลวงตาเนี่ยนะวิดีโอนะถ่ายออกไม้เห็นอยู่แล้วแนวทางปฏิปทาของท่านเปิดเมื่อเมื่อไหร่ฉายให้ดูเมื่อไหร่เราเราเห็นเมื่อนั้นแหละแนวของแนวทางขององค์หลวงตา แล้วก็อให้พวกเราพระเนนลูกหลานทุกองนะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญทํำยังไงจิตใจของเราจึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารให้นั่งภาวนาให้นั่งนานๆกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบพอสมควรนพิจารณาให้พิจารณาดูใจของตนเองใจของเรามันคิดเรื่องอะไร ใจของเรามันเผลอไปทางไหนจิตใจมันหลงไปทางไหนแหมไปทางกิเลสกาลมะลาคะใช่ไม้มโดยมากมันจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นะพรากาลมะลาคะตัวนี้มันมันติดพพติดชาติมันตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เป็นตัวรุ่งตัวปุ้งตัวหนอนแหมตรงตัวไส้เดือนน่ะเออมันมันติดมากับเป็นสัตว์ที่ได้ฉานทุกประเภทมันติดเนื่องติดต่อนอเนื่องมาตลอด เรื่องการมกิเลสตัวนี้จะนั่นคือความพอใจไม่พอใจก็เป็นโทสะขึ้นมาราคะโทสะโมหะกระหลงรุ่มหลงมัวเมาอเป็นช่วงๆว่าตัวเองจะไม่ตายาบางครั้งก็คิดว่าตายนะ่าตายนะเออ่าประกอบคุณงามความดีแต่แต่บางครั้งก็ทะลําไปอีกละ่ะคิดว่าตัวเองจะตายไม่เป็นโลภอยากจะได้ทั้งหมดใครพูดอะไรขว้างหูขว้างตาทั้งหมดคิดว่าตัวเองจะอยู่ โชวฟ้าดึงฉลายตายไม่เป็นผลให้ตร ก, ก็นะั่นนะพอเราเลิกได้ก็ว่าโอ้ใช่ตายเป็นเนะีอ่อนลงไปสรุปแล้วนะั่นแหละหลงลืมตนเองหลงมันหลงตนเองลืมตนเองมันไม่ดูเจ้าของนี่นะถ้าเราดูเจ้าของมีสติสัมปัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนะถ้าเราจะคิดจะทําจะพูดอะไรเราก็รู้ ความเหมาะสมความถูกต้องนะั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะภาวนานะอย่างอื่นไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าทากิจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะทีนะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธนะั่นเป็นหลักนะ จากนั้นผู้ที่กาาําหนดพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายแต่ผู้เคยพิจารณาร่างกายกําหนดพิจารณาร่างกายครับแต่ผู้พิจารณายังไม่กําหนดพิจารณาร่างกายยังไม่ได้ให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักให้มันจิตใจสงบจิตใจมันนิง่งนั่นแหละจิตใจสงบจิตใจนน่งรวมสงบแลยเท่านั้นเวลาเราเออ เก็บไข้ได้ป่วยนาทีจุดท้ายเมื่อจะตายเข้ามาจิตใจรวมสงบเน่ง เ, เกิดเป็นยาราชนะเกิดฌานขึ้นมาน่นะไปเกิดในผมมะโลกนะลูกหลานคณะสัตายาิโยมนะจิตใจรวมนะฤาษีเขาอยู่ในป่าดวงพงไปเนี่ยโดยมากฤาษีตายมีแต่ไปอยู่สู่ผมมะโลกนะแต่พวกกษัตริย์พวกเศรษฐีพวกพี่น้องประชาชนนะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศล พอตายไปแล้วโดยมากจะไปเกิดเป็นพวกเทวดาอผุมมะลูกะเทวดาเทวดาชั้นต่างๆโดยมากอันนี้สงทานอันนี้สงสิล น, นะอันนี้สงภาวนาโดยมากเป็นไปเกิดเป็นผุมนะผุมพรมนะพร ม, พรมโลกทั้งหลายโดยมากพวกภาวนาทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราเอาอย่างน้อยไปพักอยู่ผุมมโลกจะดีไม่ดีกว่าเลยนะตั้งใจภาวนานาะ